เราก็มาเป็นฏิบัติธรรมกันที่นี่พื้นที่500ไร่เศษๆมีไว้เพื่อที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันนะหลวงพ่อท่านก็ปลูกต้นไม้ไว้ร่มรื่มต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่เป็นลอยมือนะปลูกเรื่อยมือเมื่อก่อนเคยไฟไหม้ไปแถวนี้น 200ไหมสองร้อยวัดเลยมีีเปนหนึ่งไหมจากหลังก็เผาลาอ้อยมันก็ไหมกระโดดข้ามามาไหม่ปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวขณะที่เห็นแล้วก็ลงมาบอกชาวบ้านพอเข้าไปทีมปรากฏมันไหมมาหมนแล้วเขตพระสงฆ์ก็ไหมตอนนั้นมาเลยไถยกัน ป่ายางสิบปีแล้วก็เรียกว่าอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมจากยาคาเป็นเชื้อไฟแล้วก็เปลี่ยนเป็นป่าเห็ดแล้วโง่ก็ไว้ไดนะ้ตอนนี้เห็ดถ่านกำลังออกฝนตกอย่างนี้ลองแรงๆสักสามสี่วันนะเห็ดออก เผลอนักปฏิัติจะได้ของฝากจากสตโตกลับไปเหตุละโงกเผลอ ป, ปฏิวัติธรรมสนุกสนุกมองไม่ได้มองสติความรู้สึกตัวนะมองหาเหตุเดินอย่างโงกันนนะนกดอกนี่ก็ดอกนั่นกะดอกดอกดอกงัดกันใหญ่ทั้งพลาทั้ทงชีทั้งโยมาแย่งกันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเหตุละโมบนะ บางคนติดอารมณ์พาเดินหาเห็น ห, หายไปเลยอารมณ์ที่ติดค้างกัดคาคล้องป่งล่งไปเลยหาเหตุมองๆเดีวแล้วปฏิบัติธรรมนีดนดเดีมันเหมือนกับฝนตกในก่อนหน้าเนี่ยร้อนร้อนร้อนมากมันคือปฏิญาณนะ เาไดยเจอฝนเทลงมากลายเป็นเย็นสบา ย, ยนะอากาศโลง่งผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนฤดูกาลต่างๆไปเราทำก็เหมือนดียกันนะหรือว่ร้อนลมติดขัดไปหมดบางทีก็โอ้มันโลง่องสงบเย็นจ้ความง่วงกลายเป็นความไม่ง่วงตื่นขึ้นมาเลย ความเจ็บความปวดความท้อความเบื่อกลายเป็นโหรข ย, ยันขึ้นมาสดชื่นเราเออมันเกิดกับร่างกายกังใจขึ้นมายกไม้ยกมือเบาไปหมดเดินก็เบาตัวลอยอะไรเบาเฉียวเคยมีคนร้อยกว่ากิโลนะผู้หญิงคนหนึ่งเดินจงกมก็บอกเบามากเลยอาจารย์ เดินแล้วเบามันเบาได้ไงร้อยกว่ากิโลใจมันเบากายมันก็เบากายล่าตาจิตตาล่าตาเบากายเบาใจท้ายสุดบทชีวเลยคนนี้นมาเจอความเบาก็ตีเดียวน ะ, นะบทชีพ์รัญาารมนี่มันมีอยู่ในตัวเรานี่แหละ พอเราไปกวนเคลื่อนมือเดินโยกมืมันก็ฟุ้งออกมาอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติไม่ใกดของธรรมชาติกดของกรรมฐานอันนี้เป็นกดของธรรมชาติฝนตกแดดออกพายุร้อนหนาวตอนนี้เขาว่ากันว่าแอนตารกติกนี้น้ําแข็งมละลาย คลื่นความเย็นก็หลุดลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ากระจรไปก็ะจรมาบางส่วนละลายลงทะเลบางส่วนก็ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าคลื่นความเย็นหาที่ลงแรงจัดก็กลายเป็นหิมะตกทะเลทใสหิมะตกก็ประหลาดใจกันที่หนาวจัดกันแรง กฎของธรรมชาติปากรการของเขาปฏิวัติธรรมก็เหมือนก็เห็นอย่างนั้นในตัวเราก็เป็นอย่างนั้นนะประเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็มีอารมณ์ฟูฟูว่าๆกันมาบางทีชั่วก็ฟูฟูว่าๆบาทีดีก็ฟูฟูว่าๆกันมาอารมณ์บนอารมณ์บาปอารมณ์บนมารู้สึกมันรู้สึกมีความสุข อารมณ์บาปบาปจอนกันมาอากุศลก็เหมือนหนักๆเบื่อเบื่อให้สังเกตเอาความเป็นปกตินี่แหละมันจะเป็นตัววัดอารมณ์จืดๆในลำจะเป็นตัววัดอารมณ์ที่ไม่จืดผิดปกติมันแสดงออกมาให้เราได้ออเมื่อเกิดปัญญาให้ตัวอ้อตัวอ้อตัวเนี้ยเป็นตัวปัญญานะตัวเอเอ้ อ, อ้ อะไรตัวปัญหาเอ๊ะอะไรเนะี่ยเอ๊ะทําไปทําไมตัวปัญหาแน่นอนละมือจะยกไม่ขึ้นและเดินจงกรมก็ไม่รู้จะเดินไปทําไมละแต่มาที่นี่ยังไงก็ต้องเดินพราลมจจืดๆนะเคลื่อนไหวแล้วลมจจืดทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาเราเป็นปัญญายานด้วยนะ เกิดคนทําต่างๆเกิดคุณภาพของจิตเวลาคิดก็คิดดีเวลาพูดก็พูดดีเวลาทําก็ทํ า, ทาดีเป็นคุณภาพอายชั่วกลัวบาปมีความอดทนอดกลั้ น, นเห็นอะไรก็มีเมตตาก ร, รุณาจิตใจเป็นอย่างนั้นละจะเมตตาแบบไหนจะกรุณาแบบไหนพระแดดก็ได้พระคุณก็ได้มีเยอะ ความจริงก็คือความจริงมันมีอยู่เขาว่าเราว่ากับความเป็นจริงบางทีเราก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้บางทีเขาก็ว่าอย่างนั้นว่ายอย่างนี้แต่ว่าความเป็นจริงมันมีอันนี้คือสัจจะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เราก็เลยไม่รีบสรุปไม่ด่วนปฏิเสธรู้สื่ อ, อจืดตัวเนี้ย มันเกิดปัญญาแน่นอนเหมือนกับเราจะรับประทานยาต้องน้ำจืดๆน้ำหวานกินกัญยาไม่ได้น้ข้นขมกินกัญยาก็ไม่ได้กรดกินกัญยาก็ไม่ได้เหล้ากินกัญยาก็ไม่ได้แอลกอฮอล์ด่างกินกัญยาก็ไม่ได้ต้องน้ำจืดๆใช่ไหมหมอพยาบาลเวลารับประทานยาต้องน้ำจืดๆไหมพยาบาล ใช่ไหมใช้น้ำจืดๆไหมอาจารยมันเกิดคุณภาพเกิดประสิทธิภาพของยามันสำลิดผลสพควรมันออกได้เต็มที่จิตใจจืดๆปกตินะเหมือนกันมันจะคล่องตัวในการที่มีสติหรือเอาปัญญามาใช้ให้สังเกตอารมณ์ธรรมดาธรรมดานะมันจะแหลมฉลาดเฉลียวอยู่ตรงนี้แหละ แล้วมันฉลาดบนความโง่ตัวเด่นนะมันไม่ฉลาดบนความฉลาดแล้วมันรู้บนความหลงมันฉลาดบนความหลงเวลาง่วงออกมาฮะมันรู้แล้วเวลามันคิดปรุงแต่งกันมามันรู้แล้วแบบมันหลงแบบอะมันรู้แล้วสเก็ตได้ไหมมันผ่าน ไอลมจืดเจ่ะอุบะขาดังนั้นมันาพาผ่านมีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแล่อยู่มันก็เป็นหลักวิชาดีๆนี่เองปฏิบัติรรมันปฏิบัติทมก็คือลงมือกระทาลงไปอย่างนั้นมันเกิดธรรมชาติขึ้นมาจากใส่รูปแบบ้ายสดไม่ได้ใช้รูปแบบใช้ของที่มันเกิดมาจากรูปแบบสิ่งที่เกิดจากรูปแบบว่ใช้ได้ สติที่เกิดจากการสร้างในรูปแบบสมาธิที่เกิดจากการสร้างในรูปแบบปัญญาที่เกิดจากการสร้างในรูปแบบให้ตัวนี้มันใช้ได้เราไม่ได้ใช้แบบไปไหนไม่ใช่ไปยกมือทำงานยกมือไปด้วยเป็นพยาบาลพอว่างเนี่ยโอ้ยสิจังหวัเนาะกลับไปนอะอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องถ้าอยู่ที่นี่ก็ฝึกกไป14่จังหวั ที่พดอย่างนี้มีนะมีปฐมบาลคนหนึ่งก็มาปฏิบัติแล้วเขาก็กลับไปที่โรงพยาบาลก็กลอินมากกับ14บีจังหวะศรัทธามากจนเอียงอะศรัทธาจนเอียงตอนเพลหลังจากที่หยุดพักทานข้าวกลางวันไปสั่งส้งตมตำส้ตมตำเาก็คิวยาว ระหว่างสั่งส้มตำเสร็จกลัวเสียเวลายกมือสิบชังววัเลยหน้าร้านส้มตำโยเพื่อนก็นมองเป็นหลเป็นแหล่กลับมาทำตัวแปลกๆไม่ต้องขนาดานั่นพวกเราจากรูปแบบไปนอกรูปแบบก็ไดพัฒนาจริงๆแล้วการเกอนการไหวเดี๋ยวซ้ายแลขวาก็เหมือนในพระสูตรก็พูดนั่นแหละขยับนี่ขยับหน่อยมือรู้สึก เวลาเราเดินที่แรกนะ่ท้ามันรู้สึกแต่พอทำไปทำไปมันเหมือนกันมันรู้หน้าแข้งสัมผัสไหมเวลาปฏิบัติธรรมคอเสือ้อแขนเสือ้อชายสบงชายชีวอนหรือผมก็เรายาวมันคอเกลียร์คอเคลียร์รู้สึกตัว <c oughs> มันก็พัฒนาไปนะรู้ตัวพร้อมไป เราก็จะเห็นพัฒนาการของมันนะจากง่วงกับง่วงน้อยลงรว่วผ่านเร็วขึ้นจากคิดกับรู้ทันมากขึ้นจันลงใหม่ๆมันเหมือนกับรถไฟวิ่งผ่านมาฟืดไปรู้หัวขบวนแทนที่มันจะรู้หัวขบวนนะใหม่อ่ะนูน้นตายขาบวนถ้าสติไวหัวขบวนเห็นเลยหรือเห็นแล้วกาลังมานูน้น ความคิดกําลังมาแล้วเงี้ยบางทีสติมได้น้อยกันโดนนะรถไฟไปแล้วถึงรู้อา้าวมันคิดเออเนี่ยบางทีมันก็รู้กลางๆ ก, กระบวนการอะไรเนงะี้ยอันนี้เปรียบเทียบไปฟัง <c oughs> พอกระบวนนี้ไปเดีย๋ยวกระบวนใหม่ก็้ามาพัฒนาการเก็รู้ทันได้ไวมาปรับรูป้ปุ๊บมาปรับรูป้ปุ๊บแผลนะโอ้สุดยอดออกไปรวยลกูก เห็นอะไรมากมายเลือกินก็คือเห็นไกาเห็นใจก็ล่ะทิมเกี่ยวข้องวัตถุนอกตัวบุคคลนอกตัวสพัสพจัดสัพสิ่งที่อยู่เป็ น, ปนคูเน่เป็นสิ่งแวดล้อมกับพวกเรามีทั้งดีทั้งไม่ดีทําที่เป็นกุศลทําที่เป็นอกุศลมาทางตามาทางหูตะวันต่างๆวิธีคิด นะแตามีสติ ม, มตก็คิดถูก<ม>คิดดีไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น <c oughs> ถ้าสตนิน้อยๆมันก็เผลอคิดแบบความหลงพาคิดนะอาจจะเห็นผิดเป็นถูกเห็น <c oughs> กุงจ <c oughs> ัก <c oughs> เป็นดอกบัวก็ได้เหมือนกับเรื่องที่เขาเล่าสมัยพุทธกาลนะมีผู้ชายคนนึง ก็นั่งเรือไปกับแม่ค้าขายเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก่อนจะออกไปค้าขายนะปรากฏว่าพลาดพลัง้งฆ่าแม่ของตัวเองไปฆ่าแม่ ทะเลกับแม่ละฆ่าแม่ตายไปเลยพอไปนั่งเรือปับ๊บเอาเรือมันไม่ยอมแล่นแล้วมันก็แล่นไปพอไปถึงกลางทะเลมันหยุดอีกการนี้มันหยุดแล้วมไม่ไปไหนเลยนเนี้ยมีปัญหาแล้วกับตันเรือก็ดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมา ให้พวกราศีไปตรวจสอบมันจะต้องมีอะไรที่เป็นอาเพศเกิดขึ้นมาแน่เลยก็ลองไปไล่ดูติละคนทละคนลูกเรือไปทำอะไรมาหรือว่าเอาอะไรมาขายเอาอะไรมาใส่บนเรือตรวจสอบกันจนกระทั่งจับได้ว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าแม่ก็เกิดความรังเกียจกันใหญ่เลย ผู้โดยสารที่นั่งเรือมากับตันเรือกลาสีเรือเลยจับผู้ชายคนนะ้โยนลงทะเลไปเลยตายผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าเดินขึ้นฝั่งวิญญาณนะวิญญาณเดินขึ้นฝั่งก็เดินไปเห็นหลายคนนะโอยดอกบัวสวยจังเลยอยู่บนหัวบนสีสะ จ ร, จริงๆคือโกงจากะนะโกงจากใครขึ้นไปเกาะนี้ปั๊บก็ต้องโดนโกงจากใส่หัวพวกคนบาปทั่ น, นะเลดกระชูดกระจุยกระใจเจ็บปวดร้องโอดโอยแต่ปรากฏว่าชายคนนี้เห็นผู้คนเหล่านั้นนะกำลังมีดอกไม้สวยๆโ ย, ย, ยนศีรษะแล้วกำลังร้องเพลงกันร้องเพลงก็รู้สึกเออน่าสนใจนะท่าทางเ็ามีความสุขกันจังเลยเงี้ย ก็เลยขอมาพอมาใส่หัวตัวเองก็จึงรู้ว่าเป็นโกงจักมันไม่ใช่ดอกไม้สวยๆก็ร้องได้ความเจ็บปวดเขาเรียกว่าเห็นโกงจักเป็นดอกบวัวอย่างพวกเราลองสังเกตดูนะทางไปนรกเนี่ยมันโปล้ได้กลีบกุหลาบทางไปนรกนมันสวยงานจริงๆมันจะเหมือนกับให้เราเนี่ยเหมือนกันรีบๆ เ, เ, เข้ามา เชิญชวนขนะดนั้นน ะ, ะรีบรีบกู้นี่รีบรีบเซ็นชื่อความฝันมันจะมันเจิดมากเลยถ้าเป็นเด็กนักเรียนบางทีอ้าวเนี่ยฟรีไอ้น้องเชิญเข้ามาประตูนรกเป็นอย่างนั้นเชิญเจิญเิญเชิญเิญเจิญเข้ามาประตูสวรรค์นี่ลาบากนะมันเหมือนกันโไม่น่าเข้าเลยประตูสวรรค์ เคยมีคนเขาอยากเห็นว่านรกจำลองสวรรค์จำลองเป็นยังไงก็ให้ผู้รู้พาไปดูหน่อยก็ได้เลยจะพาไปดูพากนเราไปเห็นนรกคนในนั้นนั่งล้อมหม้อเขาต้มใหญ่ๆกระบวยก็มีอยู่ในมือแต่ว่าด้ามมันยาวมาก แต่ละคนมีกระบวยอยู่ในมือแต่ไม่ยอมตักข้าวเพราะมันตักมากินเองมันกินไม่ได้กระบวยมันยาวเกินแต่ละคนก็เลยเคาะกันใหญ่เลยถ้าใครตักกระเคาะเรากินไม่ได้เองก็อย่ากินนะตลกมัเป็นอย่างนี้มีผลประโยชน์ถ้าตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกับความรักหลายคนถ้าฉันไม่ได้ เองก็ตายไม่มีใครได้หรอกก็ไปอย่างนั้นไปเลยโอ้มันจริงนะ น, นี่คือนรกนะผอมโซยังไม่มีใครได้กินข้าวเลยข้าวก็มีเต็มหมอ้อเลยที่ตักก็มีกระบวยก็มีมพอไปดูอีกห้องนึงโอ้โหเหมือนกันเปียบเลยสวรรค์เหมือนนรกเลยมีหมอ้อข้าวตั้งอยู่เหมือนกันกระ b u o ก็ยาวเหมือนกันแต่คนที่นั่งอยู่ที่หมอ้อแต่โอ้โหทำไมมันอ้วนท้วนแข็งแรง ขาวผ่องหน้าตายิ้มแย้มแจ่ ม, มใสเขาทำยังไงเนาะกระบวยก็ยาวเขาทำยังไงสวรรค์ก็าทำยังไงเข้ากระ buoy ยาวๆตักแล้วก็ป้อนกันกินกินซะกินซะโอ้กินซ ะ, นซะอีกนอคนก็ป้อนอีกคนก็ป้อนอีกคนสวรรค์แบ่งปันอย่างเงี้ยในรกนีไม่ได้แย่งกันกูนไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปอย่างนั้น เพราะนั้นระวังให้ดีนะจะไปเสพยาเสบติดน้อเชิญครับพี่เชิญครับไม่เป็นไรเราไม่เสียตังค์หรอกฟรีท้ายสวดเป็นไงหาเงินให้มันละ่ะเราสอนนักลงเรียนเป็นไงทางไปสวรรค์โอ้ยไม่อยากเรียนกันปวดหัวเห็นหน้ากรัวก็เบื่อแล้วแต่ท้ายสวดเรทนเรียนหลายคนก็นได้ดนะีตำแหน่งสูงใหญ่ประเทศชาติได้พึ่ง เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมหลันก็ไปอย่างนั้นแล้ก็คือทางไปนิพพานมันจต้องเห็นทุกนะเห็นทุกไม่สนุกหรอกเห็นกายของเราเจ็บปวดเมื่อยนั่งก็เมื่อยเดินก็เมื่อยก็เปลี่ยนที่บริบาลอยู่นั่นทั้งวันบางที่เราก็เห็นว่าเออมันก็ทําได้เลยถ้าวางกายถูกต้องวางใจถูกต้อง ก็จะเหมือนกับว่าวันทั้งวันแป๊บเดียวรู้สึกเร็วมากชีวิตที่นี้เห็นจิตมันคิดจิตใจเวลามันทุกข์เนี่ยก็คืออาการที่หลงเข้าไปในความคิดนะนะยึดเอาความคิดเป็นเราเป็นคนชอบเอาเผตเอาผลเป็นคนชอบเอาเหตุเอาผลเอาชอบมไม่ชอบ เอาถูกเอาผิดเหตุผลเยอะปล่อยวางไม่เป็นดีมก็แก่ดีนั่นแหละมาเช้าหลวงพ่อท่านกเทตรงนี้นะมันก็ไม่ใช่ทั้งคู่นะสุขก็ไม่ใช่ทุ ก, ก็ไม่ใช่ทั้งคู่ปกติใช่ จ, จ, จืดธรรมดาธรรมดาเนี่ยใช่มันเป็นสภาวะที่ไม่ต้องใช้พลังงาน ไม่เปลืองพลังงานมันเป็นตัวถนอมไม่รังถนอมจิตใจของผู้อื่นก็ตามก็เกิดจากจุดนี้แล้วสงสารตัวเองสงสารเวลาปฏิบัตนะิธรรมโอ้ยผ่านมาได้ยังไงถึงวันนี้วันนี้วันนี้หลายเหตุการณ์อย่างฝนตกวันนี้อาตมาก็นึกถึงนะมีครั้งหนึ่งมันทำท่าจะไปไม่รอดฝนตกมีความขยันมาก ขึ้นไปขัดลังคาบ้านตัวเองก่อนบวชมีใครก็ทำกันบ้างกับเบื้องสีแผกมูเนี่ยวันของโรงงานท p i มันมีแต่น้ำมันนะปเคลือบทาชายคาสีขาวกวันบุหรี่ตากฏว่าเขมาดำลงมาเราเห็นเนาจะได้มาบวชนะ อยาจะกระตันอยู่ต่อ บ, บ้านขึ้นไปขัดพอมาเยกมือสร้างก็างมาโอ้ว่าเราลอดตายมาได้กระบุนแล้วนะลังคาเลื่อนก็นเลื่อนมีการหิ้วไอ้ผงสักฟอกกันไป่ได้นะกแป๊บมาเลื่อนไหมนะ่ฉลาดซะไม่มีวิธีคิดของคนอย่าไปทำเด้อที่บ่อยตกลง ม, มาตายมนันลด้วย มานั่งขนหัวลุกสู้ตอนมานั่งยกมือ1ิบสี่กว่านี่แหละโอ้ยมันจะไม่ได้ตายแล่แลนะน้อครั้งนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> อะไรมันจะขนาดนั้นมันก็นึกถึงแบบนี้แล้วสงสารตัวเองไปใช้กายให้มันทำอะไรมากมายเหลือเกิน <Yeah. S 1> ใจของเรานะเบียดเบียนกาย <Yeah. S 1> ทำงานหนักจนจนเจน็บ จ, จนป่วย มันก็มาคิดได้ตอนปฏิบัติธรรมนันนะมันไม่เหมือนกับด็อกเตอร์พิวัตรนะที่ตายไปแล้วขออนุญาตอ้างชื่อนะก็จะเก็บตังค์ให้ได้สักหลักนะแปดหลักก็ถลายกูนอาเองแล้วกันแปดหลักน้าเองแตก่ก่อนตายก่อนไม่ได้ใช้เงินเนะสียดายเวลาใกล้ตายเราเห็นหลายคนเช่นนักร้องดังรอดยอดรักสลักใจนะี่นะ ร้องแพลงลูกตุ้งท้ายสุดเสียด า, ายชีวิตนะตอนใกล้าตายนะเราโหมทํางานหนักบางทีใช้เงินตบติฟนักร้องคืนเดียวแย่งก็เสียเปหลายหลายแสนบาทคืนเดียวหมดเงินหลายหลายแสนนี่ก็คือครูของเรานะบุคคลเราเนี่ยหลายคนเรียกร้องความรักท้ายสุดไปตายมันมีที่ไหนละความรักแสวงหาไม่ไม่รักตัวเอง แล้วก็เลยมันเห็นตัวเองรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นใช้ตัวเองให้คุม้มใช้ชีวิตนะไม่ใช่ชีวิตใช้เราเราจะนั่งจะเดินจะยืนจะใช้มันใช้ประโยชน์ที่มนะีให้สมบูรณ์แบบที่สุดใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นอันนี้คือต้องมีสติกํากับตลอดแต่ว่าสติปัญญานไม่ใช่สติสันทายาน สอนชาชาณทำให้เกิดกิเลสต่างๆมากมายแต่ว่าสติปัฏฐา น, นำทำให้เกิดอยู่เหนือกิเลสมันพ้นจากแรงเวี่ยงของวัตตาสงสารที่เราอยู่นั่งอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะแรงดึงดูดของโลกมันเวียงมันหมุนมนี้ไอ้ที่เราอยู่ในกิเลสก็ว่ากิเลสมันเวียงเราเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงยอยากก็าอยากจึงเสพเป็นวัตตเพราะั้นคนก็ต้องติดกลับมัน ถูกไหมทุกวันนี้อย่างศสียนนะสุราเมระยะมัดชัดประมาณตฐานาอย่างเงี้ยทำไมเด็กๆ ก, ก็ผิดเสียนบางทีก็ติดน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็ถอะผิดเสียนติดจนกระทั่งเบียดเบียนตัวเองกินน้ำตาลเกินจนกระทั่งพลังงานมันใช้ไม่หมด กลายเป็นคนอารมณ์รุนแรงในท้ายสุดมันก็ได้เหมือนกันเด็กนี้อาหารมีแต่อันฟ้าท็อกซินอย่างเงี้ยฟอร์มอลีนฮอร์โมอนเร่งโตเียบอเลก็กเมลามีนสารพัดเลยนะสารตุดสารทอมอยู่ในนัน้นหมดเลยเพราะนั้นแน่นอนที่สุดทุกวันนี้เด็กก็ต้องมีพฤติกรรมกล่าวลาวเนื่องมาจากอาหารนะสมัยก่อนนะอยู่กับแบบธรรมชาติ อย่างสมัยผมเรื่องอาตมาเนี่ยอยู่กับธรรมชาติเลยแหละนะเวลาเด็กๆเกนี่ยอยากกินอะไรมันไม่มีอะไรจะ ก, กิน น, นะขนมมันก็ไม่ค่อยมีแล้วขนมหวานร้านแจ็กนะก็ไม่เวลาอยากกินก็มันมก็เดินเข้าป่าป่าชายทะเลมีอะไรมีลูกไข่เตา่ารู้จักไหมลูกไข่เตา่าหวานหอมอร่อยลูกเล็กๆต้นเล็กๆ ต, นะต้องไปแหวกดู ขึ้อยู่ตามชายทะเลลูกไข่เตาลูกอครยุยรู้จักไหมลูกครยุยลูกจะเหลืองๆนะเวลาสุกแล้วนะอมเปรี้ยวอมหวานรสชาติธรรมชาติมากเลยลูกกระเย่ารู้จักไหมลูกไก่เย่าโอยเอ๋ยมานี่มัรู้จักสักชื่อเลยนะเอางั้นยกแห่ธารมาเก่งเลจริงๆมันก็เก่งกนละพื้นที่อะนะถ้าไประยองเนะี่ย ผลหมากลากไมรู้จักกนหมดแลลูกน้ําข้าวอย่างเงี้ยรู้จักไหมไม่รู้อีกเลยลูกน้ําข้าวลูกผแมงเอ่ยไม่ได้ชื่อไม่รู้จักจริงๆเออมันก็เป็นผลไม้ที่เราไปอาศัยอยู่อาศัยกินอร่อยรสชาติเล็กๆนะแต่ว่ามันให้พลังเนี่ย มากมายแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เย็นเยนะ็นชีวิตเย็นเย็นเลียบเรี่ยบจนต่ขืนเริ่มได้อาหารในเมืองเริ่มมีกำลังเริ่มมีพลังเพราะนวัยรุ่นเนี่ยจะต้องกำกับนะจิตใจของเรานะ่มันเหมือนกับเบรกมันลดเบน์ดีๆมันต้องเบรกดีด้วยไม่จะโตแต่ตัวแต่ใจไม่มีสติมันจะไปทิศทางไหนกันนะฮะ ท้ายสุดก็หลงลักหลงชังหลงไปตามกระแสแฟชั่นดารานักร้องต่างๆมันไม่มีเบรกทำไมร้อ น, อนล้นเร่งรีบจะรีบไปไหนกันท้ายสุดก็คือรีบเปลี่ยนพบาติย์ชา้าๆได้พาเล่มงามแต่ว่ามันช้าแบบ ถูกต้องใช้แบบรอบคอบมีระเบียบมีวินัยอันนี้คือสติก็จัดให้นะเพราะนั้นการที่เรามาฝึกความรู้สึกตัว1 2, 3, วัน2วัน3าวันเนี่ยมันมีคุณแน่นอนมีค่าแน่นอนวันใดวันหนึ่งเวลาชีวิตเราเมืดิดมิดนะความรู้สึกตัวเล็กๆมันจะโผล่ขึ้นมามันจะช่วยเรา บางทีเนี่ยแคล้วคลาดไปเลยเรื่องใหญ่ไปเรื่องเล็กไปเลยมีคนที่เขาเคยฝึกสติแล้วพอชีวิตเขาเข้าตาจนชีวิตของเขามันเหมือนกับไม่สมหวังมันก็ไม่ได้มีทางออกหรือว่าแก้ปัญหาเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาแก้ เช่นประชดประชั น, า น, นบางคนก็ประชดเลเคยมีนักปฏิบัติอยู่คนนึงชอบประชดเวลาประชดคือกินยาตายเป็นคนที่หน้าตาดีแต่กินยาตายมาก็ถามเขาตรงๆว่าทําไมคุณถึงคิดว่าการแก้ปัญหาการหาทางออกจะต้องกินยาตายด้วย เขบอกว่าไม่รู้เป็นไงทุกครั้งที่เขากินยาตายเนี่ย น, นะมันมีความสุขเวลาถูกคนพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ญาติพี่น้องคนรักแฟนพวกนีนน้พี่น้องต่างๆมาล้อมให้กําลังใจก็รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วทุกทรั้งที่เขาอยากมีความสุขก็จะฆ่าตัวตายเอ า, ามั้ยไมยมเอาแบบอย่างนี้นเรียกร้องความสนใจ แปลกมากเลยจนเป็นโรคจิตนะนะถือเป็นโรคจิตเราก็แบบอย่างนั้นทุกครั้งที่มีปัญหา เ, เรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องคนรอบข้างเขาไม่เข้าใจเราเราก็มารู้สึกตัวซะวันนี้เงินไม่พอใช้อ่ะไม่เป็นไรมารู้สึกตัวก่อนน้ามันขึ้นราคาาไม่เป็นไรมารู้สึกตัวก่อนอย่างงี้นนะวันนี้พวงคาชาอารมณ์เสียเราก็พลอย โดนลูกหลงมามารู้สึกตัวก่อ น, นวันนี้คิดไม่ออกเลยมันจะทำอะไรต่อไปมารู้สึกตัวก่อ น, นดีไหมเอาตัวนี้เป็นตัวที่สแตนบายชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาฟุตเวิร์กของชีวิตทำอะไรก็เคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวดูซิถ้าฝึกจนเป็นนิสัยแล้วมันจะพาไปทิศทางไห น, นมันจะเป็นความเสื่อมและความเจริญมันจะสู่นะความสุขความสวยความรวยความดี จนเห็นความจริงของชีวิตนะหรือไม่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ยากตอนนี้เราผ่านด่านมาหลายด่านเขาบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากเราก็เกิดเป็นมนุษย์แนละ้วความยากการเกิดเป็นมนุษย์เขบอก ว, ว่าเต่าลอยอยู่ที่กลางทะเลเบื้องว่างหมาสมอนะหนึ่งรปีโผล่ออกมาแล้วก็รอดห่วง เ, งเรียกว่าแอกแอกได้พอดี แล้วก็แอกแล้วก็ห่วงนะพอที่หัวเต่ารอดได้พอดีแล้วก็เต่าตาบอดนะแล้วก็ทะเลไม่ใช่ทะเลธรรมดานะปั่นป่วนก็เรียกลมพัชวาถ้าลมเบ่งนะลมพัชวาเนี่ยนะมันปั่นป่วนมากเหนือไปใต้ออกไปตกนะล่างไปบนคลื่นแรงคลื่นใหญ่ก็แสดงว่าแอกเราต้องเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาแต่เต่าดันรอดไปแล้วก็ตรงพอดีมันจะฟลุกกระดานไหน เนี่ยคือความยากของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะหรืออาตมาจะเปรียบเทียบให้เราฝ่าจะได้เกิดราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นตัวอาสุจิของพ่อเราอสุจิเราเป็นหนึ่งในตัวที่วิเศษที่สุดและแข็งแรงที่สุดของพ่อเราในจํานวน2 5 0 0 0 0 0หตัวเก่งไหมเก่งไหมที่เราแหวกดึก้อๆไปเจาะไข่ใบที่ดีที่สุดของแม่เราได้เก่งไหมแล้วท้ายสุดเป็นไงเมื่อ อาซุจิตัวนั้นก็ไข่ใบนัน้นเป็นตัวเราแล้วมานั่งยกมือแข็งแรงไหมออแอออแอปัอกแป๊กปักแป๊กเออมันเกิดยากเลยแล้วทีมกันที่สุดก็คือเกิดมาแล้วก็พบพระพุทธศาสนาที่ยากในโลกนี้6กพันปะลันคนมีชาวพุทธกี่คนถ้าเป็นชาวพุทธระดับไหนอย่างเงี้ย ชาวพูดในเมืองไทยมีพุะศาสนาจิตวิญญาณแบบไทยๆพร้อมที่จะมีวัดบารามมีพระสงฆ์องค์เจ้ามีพ่อแม่ครูอาจารย์มากมายเหลือเกินภาริยสง์ที่จะพูดทำมาให้เราฟังเราก็ได้มานั่งที่ในิ้าชาเราฟังพร้อพ่อเขียนให้ได้ฟังและได้เพราะว่าฟังเรื่องการฝึกสติปัะฐาน อันนี้ยากมากเลยแต่เราก็ได้ยินได้ฟังฮะเรื่องของทวายสัตว์สี่ทุกสมุทยโรดมกักเราได้ยินได้ฟังฮะแล้วก็บอกตรงๆเป็นภาษาไทยเหตุแห่งความทุกข์คือคุณเข้าไปในความคิดทำไมก็พอบอกกันตรงๆเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ได้ยากแล้วเราก็ได้มาตลอดจนกระทั่งเหลือท้ายสุดแล้วก็คือการปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมอันนี้ก็ยากตัวใครตัวเราก็ต้องทาเอาเองนะ นั่นเป็นเรื่องของเราตุมเหหิกิจังอาตาปาขาตาโลตถาคตาปฏิปันนาประโมคขันติชาลิโนมาละพันธนาท่านทั้งหลายต้องทำความเพียนด้วยตนเองพระตถาคตเป็นแค่เพียงผู้บอกผู้มีปกติเพีงพินิจก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารอะไรที่เรียกว่ามารก็คือสิ่งที่ไม่ให้เรารู้สึกตัวนั่นแหละคือมารเราก็ต้องรับรู้เรียนรู้ แล้วเอาเป็นครูแล้วก็สอบให้ผ่านนะูนะก็พูดให้ฟังตอนนี้ก็ทุ่มนึงพอดีก็เห็นว่าสม ค, ควรเก็บเวแล้วเราการาบพาพพร้อมกัน